พระโบเฮียกลับถึงกุฏิด้วยความอิ่มเอิบใจท่านจัดการล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดเย็นเพราะวัดนี้จะลงโบสถ์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดปฏิโมกพร้อมกันก็เฉพาะในวันพระเท่านั้นและหากรูปใดทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่อาบัตขั้นปาราชิกก็จะลงอาบัตกันในวันนี้ส่วนวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันธรรมสวรนระต่างคนก็ต่างปฏิบัติอยู่ในกุติของตนมีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะไปเรียนถามท่านเจ้าอาวาสพระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กให้พระบวชใหม่หนึ่งเรือนเอาไว้จับเวลาตอนแรก ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกแต่พอปฏิบัติไปนานๆจิตมันรู้ได้เองอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาอยากปฏิบัติกี่ชั่วโมงอยากนอนกี่ชั่วโมงก็กําหนดจิตเอาไว้เหมือนกับการตั้งนาฬิกาปลุกพอถึงเวลาที่กําหนดจิตจะบอกเองมันก็แปลกนะคุณโบเฮียวตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมไม่เชื่อ ผมมันคนหัวรั้นไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์และผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีใช้ให้ด้วยพระปบเฮียวตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วจึงเริ่มเดินจงกรมอาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปเดินมาอยู่ในกุฏิซึ่งมีความยาวประมาณสเมตรด้วยความเพลิดเพลิน กระทั่งเสียงกลิ่นนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามแล้วตั้งใหม่ให้ปลุกตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสือ่อหมอนกับผ้าหม่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลี่ผ้าออกคลุมกายด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูเหมันปิดไฟแล้วจึงเอ็นกายลงใช้มือขวาวางบนท้อง สังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอนสักครู่ก็ไม่หลับไปโดยจับไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ เสียงกรึงนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระฆังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขที่พากันหอนเห่าทุกครั้งเมื่ได้ยินเสียงเง่งหางของระฆังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระโบหียวสะดุ้งตื่นแต่ยังงัวงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นน่าที่จะซุกกายอยู่ภายใต้ผ้าห่มอันอบอุ่น ท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูทําให้ท่านหายง่วงเป็นปลิดทิ้งบุวเหียวถ้าเจ้าเกียดคร้านเห็นแก่หลับแก่นอนไม่รีบเร่งทําความเพียรเจ้าก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอย ตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงลึกลับที่เคยได้ยินเมื่อปีที่แล้วพระบวชใหม่รีบลุกขึ้นล้างหน้าแปลงฟันสวดมนต์ธรรมัดเช้าแล้วเดินจงกรมพระมหาบุญลุกออกไปปฏิบัติที่หน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดโอกาสให้พระโบเฮียวได้ปฏิบัติอย่างอิสระ ไก่ป่าที่ส่งเสียงขันประชันกับเสียงกาเววากาววาของเจ้านกกาวว์นั้นมิได้สร้างความรําคาญให้กับผู้บวชใหม่เพราะท่านรู้จักกําหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอและเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าท่านก็กําหนดว่าหมาเห่าหนอเดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครคคลาก ด้วยไม่ชินกับการอดข้าวมื้อเย็นสักครู่เสียง ป, ปุดปุตปัดปัดก็ดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้พระบวชใหม่ต้องใช้เวลาคบคิดว่าจะกำหนดอย่างไรก็ท่านพระครูสอนเพียงให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจจาระปัสสาวะแต่ตอนผายลมท่านไม่ได้บอกไว้ภิกษุคนซื่อเลยกำหนดเอาเองว่าตดหนอ แล้วก็มีอันต้องกำหนดอย่างนี้บ่อยครั้งท่านไม่เข้าใจาระบบการทำงานของร่างกายว่าเมื่อมีมีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในช่องท้องก็ปั่นป่วนและหาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระบูเหี่ยเท่านั้นผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคขรือหัดไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงมันเป็นเพียงการปรากฏของสภาวะธรรมเท่านั้นเดินจงกรมเสร็จท่านก็เอ็นกายลงนอนเอามือวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แต่พองยุบพองยุบเท่านั้น เวลาหกนาฬิกาพระโบเหยวออกบินทบาทกับพระอีกสี่รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดเพราะเพิ่งเบิกบุส่วนท่านเดินหลังสุดพเ พ, เาเดดพราะเพิ่งบวชท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบินทบาททางเดียวกันเกินห้ารูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสายๆจะได้โปรดสัตว์ได้ทั่วถึง กลับจากบินทบาทจึงไปฉันรวมกันที่หอฉันยกเว้นท่านพระครูซึ่งจะบินทบาทเดี่ยวและกลับมาฉันตามลําพังที่กุติของท่านแต่ถ้าเป็นวันพระหรือในโอกาสพิเศษที่มีคนมาทำบุญเลี้ยงเพนท่านก็จะไปฉันที่ศาลาการประเรียนพร้อมกับภิกษุอื่นๆและวันนั้นท่านก็จะฉันสองมื้อเพื่อไม่ให้ญาติโยมเขาเสียความตั้งใจ ท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เคร่งครัดรัดตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงฆ์เมื่อพระชันเสร็จพวกลูกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็จะตั้งวงรับประทานกันวันใดอาหารมีไม่พอทางโรงครัวก็จะทำขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่งานโรงครัว เพราะมีคนมาเข้ากรรมฐานแทบไม่เว้นแต่และวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละร้อยสองร้ท่านพระครูก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารเท่าที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างพากันประทับใจในอธัธยาศัยไมตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้วจะไม่อยากมาอีก พระบูเฮียกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมให้อาหารย่อยและจึงสองน้ําทําความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์และสอนวิธีนั่งสมาธิเป็นยังไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทําความเคารพและนั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับ พระปูเหียวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงลึกลับให้ท่านฟังด้วยเกรงจะถูกดุว่าเกียจคร้านหลับไปตอนยุบหรือตอนพองละ่ะเออจะจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพคิดว่าคงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาละ่ะยังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้ ค่อยลองอีกทีพิสุไว้ใกล้สิบค่อยล่องอกแถมยังแอบล้อเลียนท่านในใจว่าฮันแนหลวงพ่อพูดเอาละอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วลาหลายร้อยหนพระใหม่ไม่รู้ดอกว่าถูกผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงีย บ, เ, ยบเป็นสิทธ์อย่าหัดล้อเลียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบ แต่พระโบฮิเอลถึงกับสะดุง้งทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้เล่าท่านย้อนถามพระบวชใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครูนี่ยังกับเป็นผู้วิเศษสงสัยคงเป็นพระอระหันต์ฉันไม่ใช่ผู้วิส่งวิเศษเอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอระหันต์ด้วย ถ้าจะเป็นก็คงเป็นได้แค่พระอระหันต์ท่านพูดยิ้มยิ้มคนเป็นสิทธิ์ยิ่งพิศวงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งไปสงสัยว่าทํำไมฉันถึงทําได้ถ้าเธอปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทําได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบวชใหม่ได้กำลังใจขึ้นอีกเป็นกองและคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาละ่ะทินนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอจับพองยุบได้ชัดหรื อ, อยังพองชัดครับแต่ยุบยังไม่ค่อยชัดแล้วกดลงหนอไม่ค่อยทันบางทีเลยได้แค่พองยุบพองยุบ ต้องพยายามลงหนอให้ได้เอาละถ้าจิตไวขึ้นก็จะได้เองไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่เรื่องกำหนดนั่นเธอยังทำไม่ถูกนะเอาละฉันจะอธิบายสติปัฐานสี่ให้เธอฟังอย่างคร่าวๆสติปัฐานสี่แปลว่าที่ตั้งของสติหมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมวันนี้จะเอากายก่อนการตั้งสติกำหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกายในกายที่เรียกเป็นภาษาธรรมว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการใช้สติตามรู้กาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนทายอุจจระปัดสาวะอย่างที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วคําว่ากายในที่นี้จึงหมายถึงร่างกายของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องสนใจเพราะฉันนั้นที่เธอกาหนดว่า ก่อีกขันหนอม้าเห่าหนอนั้นใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นกายานุปัสสนาพระบูเฮียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเช้าวนี้ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้วท่านพระครูมีอะไรอะไรให้ท่านพิสวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองไปเสียทุกเรื่องพลันพระบวชใหม่ก็นึกได้ถึงคําบริกรรมของท่านตอนภายลมนึกหวนหวาดในใจว่าท่านจะรู้ หรือไม่หนอก็พอดีท่านพูดขึ้นว่าทํำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ทุกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริกรรมพิลึกพิลั่นอย่างเธอหรอกพระใหม่รู้สึกอายเป็นกําลังจึงโอดครว่นว่าโถหลวงพ่อครับก็ผมบริกรรมในใจแท้ๆทาไมหลวงพ่อถึงได้ยินล่ะครับอีกอย่างผมก็ทําอยู่ที่กุฏิโน่นฉันก็กําหนดเห็นหนอน่ะสิ จำไว้นะโบเฮียวเห็นหนอนี่มีค่าหลายล้านอย่าไปคิดว่านอหนอแหนเป็นเรื่องเลวไหลถ้าเธอฝึกสติดีจนถึงขั้นแล้วเธอจะใช้เห็นหนอให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวใช้ดูเลขหวยได้ไหมครับหลวงพ่อได้แต่เขาไม่ทำกันเพราะการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อละกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าเธอเอาไปใช้ในทางนั้นมันเป็นการเพิ่มกิเลสผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติครับผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายกายาสนาต่อเธอครับกายานุปัสสนาต้องเรียกให้ถูกเวลาไปสอนคนอื่น จะได้ไม่เลอะเลือนเลื่อนเปื้อนครับกายานุปัสสนาผู้เป็นสิทธวนคํานั่นแหละถูกต้องเอาละ่ะก่อนจะเข้าใจกา ย, ก า, ยานุปัสสนาจะต้องเข้าใจอายตนะเสียก่อนอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แบ่งเป็นอายตนะภายใน6ได้แก่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทาหน้าที่เป็นตัวรู้ส่วนอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมสิ่งที่ตาเห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่ารูป ตาจึงคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นไหนลองบอกสิว่าลิ้นคู่กับอะไรอาหารที่กินเข้าไปครับตอบอย่างภาคภูมิใจโดยคิดว่าคําตอบนั้นถูกต้องแล้วผิดตอบใหม่อีกทีสิลิ้นคู่กับฟันครับคราวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะผิดอีก ลองอีกทีไหมไม่แล้วครับเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่เรากินอาหารแล้วรู้ว่าเผ็ดหวานมันเค็มเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าแซบครับท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงเฉลยให้ฟังจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเขาเรียกว่ารสจำไว้ ส่วนสิ่งที่มากระทบกายเราเรียกว่าโผฏฐะเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมารมเช่นดีใจเสียใจทุกข์ใจใ จ, จำได้หรื อ, อยังละ่ะเอาละไหนลองทบทวนสิอายตนะภายนอกมีอะไรบ้าง ตาหูจมูกลล่นกายใจครับอ๋อตาเธอหูเธอลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเถอะไหนตอบหมซิเอาให้แน่แน่รูปรถกลิ่นเสียงโพธพะพและกรารมารมครับธรรมรมโว้ยไม่ใช่ก า, มารมรมคนละเรื่องเลย คนสอนบ่นอุบและเผลอพูดคำว่าวอยออกมาเอาละทีนี้ยตนะภายในเธอก็รู้แล้วสินะต่อไปจะได้กาหนดได้ถูกต้องลุงพ่อครับกาหนดกับบริกรรนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะใช้ว่ากาหนดก็ได้หรือจะใช้ว่าบริกรรก็ได้ทีนี้ เมื่อเธอได้ยินเสียงไก่ขันสุ น, นักเห่าหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้โดยทางหูให้เธอกำหนดว่าได้ยินหนอเท่านั้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปวิจัยว่ามันเป็นเสียงอะไรตาเห็นอะไรก็ตามให้กำหนดว่าเห็นหนอแล้วก็จบกันเวลาผายลมถ้ามันดัง ก็กำหนดได้ยินหนอถ้ามันไม่ดังก็กําหนดรู้หนอคือเอาใจไปรู้มันเอาละ่ะทีนี้ถ้ามันมีกลิ่นด้วยเธอจะกําหนดว่าอย่างไรพระใหม่ถูกทดสอบอีกถ้าเป็นของตัวเองก็หอมหนอแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็เหม็นหนอครับคราวนี้ท่านพระครูหัวเราะชอบใจเออเข้าที่ดีนิ เข้าใจตอบคนตอบก็เลยหน้าบานด้วยคิดว่าถูกต้องดีแล้วจริงจริงนะโบเฮียวคนอย่างเธอจะว่าสอนง่ายก็ไม่ใช่คร้นจะว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระโบเฮียวก็ขัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ต่างหากเล้วครับเอาละเอาละ่ะ นี่บอกตามตรงนะโบเหียวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอโง่หรือฉลาดกันแน่จะว่าโง่ก็ใช่จะว่าฉลาดก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับกอททานองนั้นแหละเอาละเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเธอฉลาดก็แล้วกันขอให้ฉลาดอย่างนี้ตลอดไปนะท่านตั้งใจประชดสมพรปากครับ พูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุท่านพระครูครานที่จะตอบปากตอบคำจึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมเอาละเมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติจะได้กำหนดได้ถูกต้องจำไว้ว่าอย่าไปปรุงแต่งให้กำหนดรู้เฉยทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่ง มันก็เป็นกิเลสสิอย่างเช่นที่เธอกาหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอก็เป็นโทสะถ้าทำเฉยไม่กาหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ทุกข์ก็ต้องกาหนดว่าได้กลิ่นหนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันจะหอมหรือจะเหม็น เข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วเอาล่ะทีนี้บอกมาสิว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องจะกำหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอะครับทำไมไม่กำหนดว่านกร้องหนอละ่ะเพราะถ้ากำหนดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกายานุปัสนามันอยู่นอกกายของเราเราต้องกำหนดรู้เฉพาะที่อยู่ในกายดีมากดีมาก เอาละทีนี้ก็ฝึกนั่งสมาธิได้แล้วจงจำไว้ว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จต้องนั่งสมาธิทันทีไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมานั่งต้องทำให้มันติดต่อกันจะได้รักษาอารมณ์กรรมาฐานเอาไว้ไม่ให้รัว่วไหลไปทางอื่นวิธีนั่งก็กําหนดนั่งหนอก่อน แล้วค่อยๆนั่งลงไปการนั่งสมาธิมีสมแบบคือสมาธิชั้นเดียวนั่งอย่างนี้งอเข่าขาซ้ายและขาขวาวางบนพื้นถ้าสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาวางทับบนขาซ้ายถ้าสามชั้นหรือที่เรียกว่าสมาธิเพชร ก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงยกขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วท่านจึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้งสามแบบให้พระโบเหเอียวดูพระใหม่ทำตามได้สองแบบแรกและพยายามทำแบบที่สามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันรู้สึกเหมือนขาจะหักทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ ระเดี๋ยวขาแข่งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาละวันนี้นั่งสองชั้นไปก่อน น, น่านอย่างนั้นถูกแล้วเอาละทีนี้ก็เอามือวางบนหน้าตักให้มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นค่อยๆหลับตาลงชา้ชาๆหายใจลึกๆ เอาสติไปไว้ที่ท้องเนื้อสะดือขึ้นมาประมาณสองนิ้วรู้สึกหรื อ, อยังว่าท้องมันพองแล้วก็ยุบรู้แล้วครับมันพองก่อนหรือว่ายุบก่อนพองก่อนครับนั่นและผูกแล้วคนที่บอกว่ายุบก่อนแสดงว่ายังจับไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเราจะจับพองได้ก่อนยุบเสมอ จึงให้บริกรรมว่าพองหนอยุบหนอคนที่บริกรรมว่ายุบหนอพองหนอแสดงว่ารู้ไม่จริงเอาละต่อไปนี้ลองนั่งดูสักส0สบนาทีอย่าไปคิดเรื่องอื่นพยายามให้สติจับอยู่ที่พองยุบตลอดเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรก็กำหนดไปตามจริง ต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันด้วยแล้วอย่าไปปรุงแต่งเอาละนั่งไปครบกำหนดเวลาแล้วฉันจะบอกเอง